เพราะฉะนั้นคำว่าที่ในวิสุทธิมัทท่านมาแสดงอธิบายเะพสดานเนี่ยท่านไม่ได้แต่งเองนะพระพุทธโคสอาจารย์ไม่ได้แต่งเองะท่านขยายคำว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลตามภาษาริบุตรถามว่าภาษาริบุตรเอามาจากใคร<อ>ก็ของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละทีนี้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ฉลาด ในการยักย้ายเทศนานี่นะขยายศีลจำแนกศีลแจกแจงศีลเพื่อที่เราจะได้เข้าใจศีลโดยในยะต่างๆเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในศีลอย่างนี้ดีแล้วศีลเหล่านี้นี่แหละจะเป็นเครื่องรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปถ้าหากว่ากุศลศีลเหล่านี้ไม่เกิดกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ สติประทานสมปรปทานอิธิบาทอินทรพล ะ, ระโพชงเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุอริยมรรคได้ศีลต้องบริสุทธิ์มาก่อนเนี่ยนะศีลต้องบริสุทธิ์มาก่อนก็บอกว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีพของเธอก็บริสุทธิ์มาดีแล้วเนี่ยนะบริสุทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วใ น, ในพระสูตรสูตรหนึ่งที่เคยอ่านให้ฟังนะสลายตนะ วิพังพสูตรนะในเล่มยีเนี่ยน ะ, ะมีอยู่ข้อความตรงหนึ่งคือสลายยตนาวิพังสูตรเนี่ยนะสลายยตนาตรงนั้นมีอยู่สองสูตรด้วยกันเพราะฉะนั้นในสูตรนั้นเนี่ยกล่าวถึงกายกรรมวจีกรรมอาชีพที่บริสุทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วจึงจักเจริญได้ น, นะปัญหาที่1น่ตอบไปแล้วนะว่าอะไรคือศีลทีนี้ปัญหาข้อที่สองปัญหาข้อที่สองในหน้า24 ปัญหาข้อที่สองปัญหาข้อที่สองคือปัญหาว่าชื่อว่าศีนเนี่ยเพราะอัฐว่าอะไรอนะเฉลยว่าชื่อว่าศีนนี่เพราะอัฐว่าศีลนะศีลนะเนี่ยผมไม่รู้จะแปลว่าไงดีเ้าก็เลยแปลทับศัพท์ไปเลยพอมาค้นศัพท์ก็หาแปลไม่ได้แปลไม่ได้เหมือนกันอะวันนี้ก็ค้นค้นอยู่แต่ก็หาแปลไม่ได้คําว่าศีลนะเนี่ยบางอาจารย์แปลว่าควบคุมบางอาจารย์แปลว่ามูลรัก เพราะนั่นควบคุมทั้งมูลรากเนี่ยนะก็เอาไว้ก่อนไม่นึกอย่างเอาศีลละนะง่ายดีศีลนี่เพราะอัตถาว่าอะไรเพราะอัตถาว่าศีลละน อ, อตรงตัวดีทับศัพท์ไปเลยแต่ทีนี้คาําอธิบายของคําว่าศีลละนะเนี่ยถามว่าชื่อว่าศีลละนะเนี่ยคืออะไรเล่าตอบว่าได้แก่ความตั้งไว้ด้วยดีคือสมานทานัง สมาธทานังเนี่ยไม่ใช่ททหารนะสมาธทานทอธงนะ ท, ทงสะอาด<อ>น้หนูไม่หันอากาศงองงูเนี่ยนะ เ, <อ><ๆ>เพราะฉะนั้นคำว่าศีละนะได้แก่ความตั้งไว้ด้วยดีคือสมาทานังเนี่ยความว่าอธิบายคาว่าสมาธทานังเนี่ยคือตั้งไว้ด้วยดีได้แก่ความที่กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นไม่กระจัดกระจายด้วยอำนาจความเป็นผู้มีศีลดี คือศีลอันนี้เนี่ยนะเป็นเหตุให้กายกรรมไม่แตกไม่กระจัดกระจายออกไปเนะจึงเรียกว่าสมาทานังหรือว่าตั้งไว้ด้วยดีเหมือนเหมือนตัวอย่างเช่นพระพิสูน์เนี่ยนะถ้าตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายกรรมก็คือในวินัยมีบอกพึงทำศึกษาว่าเราจากมีตาทอดลงไปสู่ละแวกบ้านอย่างง ทำศึกษาว่าเราจักไม่เวิกผ้าเข้าไปสู่ละแวกบ้านหรือว่าทําศึกษาว่าเราจักไม่เดินกระยง n เข้าในละแวกบ้านาพึงทําศึกษาว่าจักไม่หัวเราะลั่นนั่งนั่งในละแวกบ้านพึงทําศึกษาว่ า, าเราจักไม่แกว่งแขนจกไม่ไกวแขนอยังไงไหมไม่แกว่งแขนให้มันดูหน้าเกลียดเป็นต้นเนี่ยนะพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของศรรีลอย่างหนึ่งเหมือนกันทําให้เกิดการตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายกรรมที่ ถูกต้องเนี่ยนะไม่ล่วงละเมิดออกมาถ้าล่วงละเมิดหยาบๆเนี่ยถึงกับการถึงกับฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกางเป็นต้นแต่ถ้าละเอียดละเอียดมาก็เกี่ยวกับเรื่องอากักปัิกิริยาเรื่องมารยาททั่วไปเนี่ยนะเช่นยืน อ, อยู่ในบ้านจะสั่นหัวไม่ได้นะไม่สั่นหัวแบบสนุกสนุ ก, นกไม่ได้หรือว่าจะแกว่งแขนไกวแขนนั่งคำกากอยาเงี้ยไม่ได้ทุกอย่างลักษณะเน้นเป็นตั้งไว้ด้วยดี แต่ว่าตั้งไว้ด้วยดีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ตั้งเพื่อที่จะอวดเคร่งอีกน ะ, ะถ้าตั้งไว้ด้วยอวดเคร่งนี่จิตชนิดไหนกุศลหรืออกุศล น, น, นะอกุศลนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยต้องเป็นกุศลไม่ใช่อวดเคร่งแต่เห็นประโยชน์ของการรักษาเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลได้จะต้องรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลอะไรเป็นความผ่องแพ้วของศีลเนี่ยนะศีลจะขาดจะด่างพร้อยจะทะลุอย่างไรจะต้องมองออก เพราะฉะนั้นไอ้ที่สังวียสัมรวมระวังเนี่ยเพราะเห็นโทษของความไม่สัมรวมแล้วเห็นคุณของความสัมรวมและอีกอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคถามว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคดียังไงถึงเราจะต้องทําตามเพราะคาสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นมักเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์แม้แต่ความบริสุทธิ์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย สิ่งเหล่านี้จะไม่มีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาศัยความเคารพในพระผู้มีพระภาคเห็นโทษของความล่วงศีลเห็นอ น, นิสง์ของการรักษาศีลก็เลยทำให้เกิดการตั้งไว้ดีด้วยอำนาจกายกรรมเป็นต้นที่ไม่มีโทษเนี่ยนะคารวาถ้าเป็นของพระพิสุน์นะตั้งกับหัวจรเล็บเท้านั่แนแหละศีลอยู่ในนั้นหมดเลย นนะถามหาเถอส่วนไหนไม่มีศีลเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะในร่างกายเนี่ยนะนนะเช่นส่วนศีรษะเนี่ยนะต้องไม่เกิน2เดือนนะต้องปลงผมนะแล้วก็อย่าปล่อยให้ยาวเกิน2 อ, องค์คุรีถ้ายาวเกิน2 อ, องค์คุรีถึงไม่ถึง2เดือนก็ต้องโกรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งนนะเส้นขนในจมูกนะยังมีมีวินัยอยู่อย่นะัฟันยังมีเลยหูก็มีศีลที่อยู่ที่หูก็มี สีหน้าก็มีสีลอยู่ในนั้นต่างหลายอย่างในลูกตาเนี่ยังมีศีอยู่ในนั้นเลยอันนขยับปากให้เฉยเนี่ยสีอยู่ทั้งหลายข้ออันนั้นตะไล่ไปถึงจรดเท้าหมดอ่ะมีสีอยู่ในนั้นหมดเลยถ้าถามหาที่ไม่มีสีลอยู่ในนั้นเนี่ยแสดงว่าโอโ้โหหาเก่งมากหาจนแสดงว่าแตกฉานวินัยมากว่าไม่มีศีลอยู่สักส่วนเนี่ยแต่ว่าขอให้รู้เถอาว่าไม่มีส่วนใดที่ไม่มีศีลอยู่ในร่างกายนั้นนี่นะพระองค์กล่าวถึงศีเ น, นี่ยเป็นทรัพย์ใช่ไหม แสดงว่าทุกส่วนนี้เป็นทรัพย์ได้หมดและในขณะเดียวกันทุกส่วนก็เป็นเหตุให้เราทุ่ศีลได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยนะซึ่งเป็นอัตตะของศีลเป็นเนื้อความของศีลเป็นความหมายของศีลเนี่ยนะตั้งไว้ด้วยดีด้วยอํานาจกุศลศีลเพราะว่าศีลเหล่านี้เป็นเป็นคุณธรรมที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นคําว่าศีลลนะโดยความหมายที่หนึ่งได้แก่การตั้งไว้ด้วยดี ทีนี้ต่อไปนะความหมายที่สองได้แก่ความเข้าไปทรงไว้ก็ได้นะคำว่าเข้าไปทรงไว้ก็คือได้แก่ความรองรับไว้โดยเกี่ยวกับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายะนะเพราะฉะนั้นคำว่าศีแล้วนะมีสองความหมายใช่ไหมความหมายที่หนึ่งคือเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีความหมายนัยยะที่สองคือเข้าไปทรงไว้ คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปนะโดยเกี่ยวกับเป็นที่ตั้งเป็นฐานเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายคําว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยคือกุศลธรรมอย่างไรกุศลธรรมทั้งหลายก็คือมหคตากุศลและโลกุตระกุศลหรือว่าธรรมะอันเป็นเบื้องต้นแห่งมหคตากุศลนะถ้าพูดถึงอัปปนาสมาธิก็ต้องมีอุปจาระสมาธิใช่ไหม หรือว่าก่อนที่โลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นก็ต้องมีวิปั ส, สนาเป็นตนเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะทะ่านศีนเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับแห่งกุรศลธรรมชั้นสูงๆเหล่านั้นหรือถ้าหากว่ากล่าวตามพระพระนาคเสนใช่ไหมที่พระพระเจ้ามิลินถามว่าศีนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมศีนเนี่ยพ่ออัฐ่าว่ากระไรนั่นแหละพระ น่าเกษก็อธิบายว่าศีนเนี่ยเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคําคว่ากุศลธรรมชั้นสูงที่ศีนรองรับเนี่ยคืออะไรคือสติปทาน4ีสัมมาปทาน4ีอิธิบาท4ีอินทรีห้าพะละหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือว่าฌานวิโมกสมาธิสมาบัตศีนเนี่ยเป็นเครื่องรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมีลักษณะหรือมีอัตถะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะถามว่าไอ้ศีลที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงะคืออะไรคืออะไรศีลที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคืออะไรนะนี่เราเรียนข้อสองเลนะดูที่ว่าจะลืมข้อหนึ่งหรือยังอ่าศีลที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคืออะไรคือเจตนาศีลเจตสิกศีล สังวรศีลอาวีติกมะศีลเนี่ยนะศีลทั้งสีอย่างนี่เขามีลักษณะคือตั้งไว้ด้วยดีอย่างหนึ่งเขามีลักษณะหรือมีอัตถะว่าเข้าไปทรงไว้รองรับไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงหนึ่งนะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงสูงต่อไปอะนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าศีลละนะนั้นอ่ะเป็นอัตถะของเขาเป็นเนื้อความของเขาเป็นความหมายของเขาแต่ตัวเขาจริงๆได้แก่ เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลเพรา ะ, ะนั้นลักษณะคือศีลณะนะศีลณะนะอันนี้เป็นการบางอาจารย์บอกควบคุมก็บางเงน่อนะและก็เข้าไปส่สงไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสู ง, งนะอันนี้ตามความหมายตามแนวของคำพีที่พระพุทธโคสาจารย์เรียบเรียงอัตตกะถาสาย นิกายมหาวิหารเนี่ยนะเอาความหมายคือศีละนะเท่านั้นนะนะท่านประสงค์เอาความหมายคือศีละนะอย่างเดียวคือที่แปลว่ า, าทรงไว้ด้วยดีเนี่ยนะหรือว่าตั้งไว้ด้วยดีกับเข้าไปรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะแต่ศีละศัพท์นี้บัณฑิตผู้รู้ลักษณะศัลยลักษณะคือสูตรของศัพท์ทั้งหลายย่อมเห็นชอบความหมายทั้งสองนี้แหละส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งคืออาจารย์ที่เขียนคัมภีร์ วิมุตติมักอะคัมภีสายอภัยคีรีคนลนิกายกันเนี่ยภารณาอัฏฐะของศีล น, นะสับว่าศีล น, นี้โดยนัยว่าศีลเ น, นี่ยชื่อว่าศีระคือหัวเนี่ยนะมีความสําคัญเท่ากับหัวนั่นแหละเหมือนกับศีลถ้คนหัวขาดเนี่ยทาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมเพราะศีลก็มีความสําคัญเท่ากับศีสักนั่นแหละหรือว่าศีลเนี่ยมีอัฏฐะว่าศีสะ ตอนแรกศีระก็คือเสียงศีษะก็คือศีษะเนี่ยนะก็คืออวัยวะของเราเนี่ยนะนับตั้งแต่เท้าลำตัวแขนขาแล้วก็ศีษะศีษะเนี่ยนะนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากต่อชีวิตของเราเนี่ยนะนับเป็นอวัยวะสูงสุดของของร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นศียก็มีความสูงสุดในลักษณะเหมือนกับศีษะแบบนั้นแหละ หรือว่าสีลเนี่ยมีอัตถาว่าสีตละสีตละนี่แปลว่าเย็นก็คือสงบความเร่าร้อนได้เพราะฉะนั้นคนที่มีศีลก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นนะกายกรรมก็เย็นะนะวจีกรรมก็เย็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเย็นแบบไหนคือเย็นแบบไม่มีโทษนะคือมันตรงกันข้ามกับเร่าร้อนอ่ะนะผู้ ด, ด้วยโทสะนี่ก็เร่าร้อนผู้ ด, ด้วยโลภะเป็นต้นผู้จะเอานี่ก็เร่าร้อนแล้วก็ผูด้ด้วยความไม่รู้เป็นต้นก็ ว่าความร้อนเหมือนกันแต่ว่าพูดด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยก็คือไม่เร่าร้อนมันกายกรรมเมจีกรรมที่ไม่เร่าร้อนด้วยอํานาจกิเลสนั่นเองแล้วศีลเนี่ยชื่อว่าศีว ะ, กะเกษมเกษมก็อีกอย่างหนึ่งก็ปลอดภัยน ะ, กะเกษมเนี่ยเขมังเนี่ยปลอดภัยเหมือนกันแต่สีวะสูงสุดก็ได้ปลอดภัยก็ได้อัฐะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือความหมายของคําว่าศีลเนี่ยนะใน เป็นการตอบปัญหาข้อที่2สรุปในปัญหาข้อที่1กับข้อที่2รวบกันเลยนะว่าชื่อว่าศีลอ่าอะไรคือศีลก่อนอะไรคือศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลอ่าศีลพระอัฏาว่าอะไรศีลพระอัฏาว่าศีละนะศีลละนะหมายความว่าหรือศีละนะได้แก่ความตั้งไว้ด้วยดี เข้าไปทรงไว้หรือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะทีนี้ว่าเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยได้แก่เจตนาอย่างไรเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากทุจริตนะมีปานาติบาตเป็นต้นหรือของเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบตัติเนี่ยนะเจตสิกศีล เป็นอย่างไรก็คือความงดความเว้นได้แก่วีรตี3อย่างนะอันนี้ก็เป็นเจตสิกศีน์ในยะที่1เจตนาศีน์ในยะที่2ได้แก่เจตนาของเจตนาในกรรมบทของบุคคลผู้ละทุจริตเหล่านั้นเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดการละทุจริตในกายกรรมวจีกรรมนะเจตนานี้เป็นเจตนาศีล ส่วนเจตสิกสีนได้แก่อนภิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฐิเนี่ยนะเรียกว่าเจตสิกสีนทีนี้คําว่าสังวรศีนสังวรศีนมี5ประการ5ประการหนึ่งปาติโมฆะสังวรสองสติสังวรสามยาณสังวรสีขันติสังวรห้วิริยะสังวร ทีนี้คำว่าปาติโมขังวรก็จะได้กล่าวต่ อ, ตอไปส่วนอินสติสังวรก็คือสํารวมตาหูจมูกเลนกายใจไม่ให้เป็นบาปไม่ให้จิตเป็นบาปนะเมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับทุกอารมณ์อือไม่ให้ใจเป็นบาปนี้เรียกว่าสติสังวรส่วนยาณาสังวรก็คือปัญญาที่ปิดกั้นหรือตัดขาด กระแสทั้งหมดเนี่ยนะกระแสคือตัณหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแ ส, ท, ท, ะแ ส, ะแสทุจริตและกระแสคืออวิชชาเพราะฉะนั้นปัญญาที่ไปตัดขาดกระแสทั้ง5เหล่านั้นเรียกว่าญาณสังวรหรือปัญญาที่พิจารณาโดยเย็บคายแล้วบริโภคปัจจัยทั้ง4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเพศัชยารักษาโรค ส่วนคันติสังวร น, นั้นก็คือความอดทนความอดกลั้นเมื่อได้รับกระทบสัมผัสที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นหนาวเกินไปร้อนเกินไปสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นไม่หงุดหงิดไม่โกรธไม่เครียดนะ น, นะแล้วก็สา ม, มารถเจริญกุศลธรรมต่อไปได้อย่างีเรียกว่าขันติสังวร แล้วก็สังวรข้อที่ห้าก็คือวิริยะสังวรวิริยะสังวรนั้นก็คือเพียรกาจัดกามวิตกเพียรกำจัดพยาบาทวิตกเพียรกาจัดวิหิงสาวิตกเพียรกำจัดอกุศลวิตกเพียรเจริญกุศลวิตกน้ลักษณะนี้ชื่อว่าความเพียรหรือวิริยะสังวรวิริยะอีกอย่างหนึ่งก็คือแสวงหาปัจจัย4่นะหรือว่า เพียงเพื่อให้ปัจจัยศีเกิดขึ้นโดยชอบธรรมเนี่ยนะโดยชอบธรรมโดยถูกต้องอย่างนี้ก็ชื่อว่าวิริยะสังวรเนะี่ยนะโอเข้าใจศีลสองอย่างนี้ก็รู้จักโคแล้วเนาะต่อไปเลี้ยงโคถูกละคนี่คนที่รัก่คนที่รู้จกักศีลก็สา ม, มารถที่จะรักษาศีลอย่างถูกต้องถ้าเราเข้าใจศีลตรงนี้เนี่ยนะจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะเคยได้ยินคำว่าปุตุชนใช่ไหม ปุถุชนในโลกนี้เหมือนนเถอะผู้ไม่ได้สดับอ่นนะผู้ไม่เห็นพระอริยเจ้าผู้ไม่เห็นสัตบุรุษผู้ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษผู้ไม่มีวินัยของสัตบุรุษวินัยอันนี้ห้าอย่างนี่แหละอ่นนะวินัยนี่แบ่งออกเป็นสองคือสังวรวินัยกับปหานะวินยัยเพราะฉะนั้นปุถุชนคนปุถุเนี่ยแปลว่าหนานะคนหนาไปด้วยกิเลกก็คือไม่มีสังวรเหล่านี้นั่นเอง คือคนที่ไม่มีสังวรห้อย่างนี่เรียกว่าปุตุชนนะเต็มร้อยเลยก็คือไม่มีสังวรเหล่านี้เรียกว่าอันท่ปุตุชนของเรานี่ถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เกิดนี่ก็ขนานั้นก็บอดเหนไนะเราก็จะรู้ว่าเออเราปุตุชนหนาแ น, น่นขนาดไหนนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นกัลยาณ น, นะปุตุชนก็เรียกว่าปุตุชนคนดีนะปุตุชนที่มีสารณะมีที่พึ่งอย่างนั้นเด้อ เพราะถ้าเราเข้าใจพระธรรมคําสอนเหล่านี้เท่าไหรนะจะเห็นคุณของพระรัตนตรัยทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยพระองค์เองคําสอนทั้งหมดเหล่านี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคผู้ที่ปฏิบัติประสบความสําเร็จนะปฏิบัติได้ตามคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าพระพระสงฆ์นะอย่างน้อยที่สุดเราก็นับถือท่านก่อนนะนะปฏิบัติได้มากได้น้อยยถาสติยถาพลังมานะสิกโรมะ จักทำในใจอยู่จักปฏิบัติตามอยู่ตามสติและกาลังะนะตามสติตามกาลังถ้าสติละลึกได้มากก็ปฏิบัติตามในมากสติละลึกได้น้อยปฏิบัติตามดนน้อยแต่ว่าสติจะละลึกได้มากดน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาอีกนั่นแหละถ้ามีศรัทธาคือกําลังศรัทธาคือกําลังมากก็สติก็เกิดมากนะถ้ามีวิริยะเป็นกาลังกาลัง5นะทละห ก็กำลังนี่ลักษณะอย่างนึงคือไม่วันว้ยถ้ามีศรัทธาพระวิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระก็ทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคได้มากเท่านั้นแหละนะมากเท่าไหร่นั่นแหละเป็นทรัพย์ของเราเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขของพวกเราเองนั่นแหละถ้าเราปฏิบัตินะเป็นไปปฏิบัติมากถามว่าใครได้ดี พระพุทธเจ้าได้ดีใช่ไหมพระองค์เป็นผ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พ้นทุกข์แล้วเรานั่นแหละได้ดีเรานั่นแหละปิดอบายดังนั้นพระธรรมคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะชื่อว่าธรรมะเพราะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เราปฏิบัติได้มากขนาดไหนอบายเนี่ยไม่เด็กไม่เด็กินเราหรอก น, นะแต่ถ้าลืมสิ่งนี้เมื่ อ, อไหร่นะเขาปักมือเรียกทันทีเลยสังเกตจิตเราดูที่ว่าเขาเรียกเราหรือเปล่านะั่นน่ะ อัะนนะีเลยเวลาไปเยอะแล้วขออนุมโมทนาด้วยเจ น, นิญพร